ในการบาเพ็ญไตรสิกขาเพื่อพ้นทุกเนี่ยไม่มีแล้วคำว่ามีความโพรงก็คือมีปัญญานะมีปัญญาแสงสว่างมีปัญญาสว่างคือเป็นบัณฑิตมีปัญญามีความตรัสรู้มีญาณมีปัญญาแจ่มแจ้งมีปัญญาทำลายกิเลสพระองค์นี้ทรงแผ่รัศมีแผ่แสงสว่างแผ่รัศมีแผ่แสงสว่างดังประทีป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 ควันเป็นเครื่องปรากฏแห่งไฟพระราชาเป็นเครื่องปรากฏแห่งแว่นแคว้นสามีเป็นเครื่องปรากฏแห่งภรรยาฉันใดเนี่ยนะพระผู้มีพระภาคก็ฉันนั้นมีปัญญากว้างขวางดังแผ่นดินพระองค์นี้มีปัญญาเป็นมีปัญญามากเนี่ยนะมีหนักด้วยปัญญาโน้มไปในปัญญาโอนไปในปัญญาเงื้อมไปในปัญญาน้อมไปในปัญญามีปัญญาเป็นใหญ่เพราะฉะนั้นพระองค์เรียกว่ามีปัญญา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 อีกอย่างหนึ่งผู้ใดเจริญอริยมรตมีองค์8ดในภพนี้ผู้นั้นย่อมบรรลุ ป, ประสบได้รับผลแห่งมรตในกาละเป็นลําดับไม่ได้มีในกาละอื่นขั้นแม้ด้วยอย่างนี้เรียกว่าสันทิฏฐิโกอาลิโ ก, กถ้าปฏิบัติจนได้อริยมรตเนี่ยอริยผลต้องเกิดโดยลําดับแน่นอนเหมือนว่ามนุษย์ทั้งหลายลงทุนทราบตามกาละอันควรยังไม่ได้อิทธิพลในการเป็นลําดับยังต้องรอเวลาถ้าค้าขายลงทุนไปนะก็ ผลเนี่ยจะต้องรอเวลาหน่อยแต่ธรรมะนี้ไม่เป็นอย่างนั้นอริยมรตมีองค์แปดไม่เป็นอย่างนั้นผู้ใดเจริญอริยมรตมีองค์8ดในภพนี้ผู้นั้นย่อมบรรลุประสบได้ผลแห่งมรตในนั้นนะ่ะในกาลเป็นลำดับมีได้มีการอื่นขั้นเรียกมรคจิตเกิดผลจิตต้องเกิดตามมาเนี่ยนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องรอภพหน้าไม่ต้องมี ร, รอในปรรลูกแบบนั้น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 พนิพานนั้นเป็นที่ละสงบสละคืนระงับอันตรายคือกิเลส ข, ขันและก็อภิสังขาร น, นี่แหละเป็นอมตะนิพานอมตะนิพานนี่เป็นที่สิ้นตันหาเป็นที่สิ้นอันตรายเป็นธรรมะที่ไม่มีอันตรายพนิพานนั้นไม่มีอุปมาคือไม่มีอุปมาไม่มีข้อเปรียบเทียบไม่มีสิ่งเสมอไม่มีอะไรเปรียบไม่ปรากฏไม่ประจักษ์ เพราะฉะนั้นพระนิพพานเนี่ยไม่มีอุปมาในที่ไห น, ไหนทั้งในที่ไหนในที่ไรๆ ใ, ในที่บางแห่งทั้งภายในทั้งภายนอกเพราะฉะนั้นนิพพานไม่มีข้ออุปมาในที่ไหนเพราะฉะนั้นพระปิงคิยะเถระเล่าให้พราหมณ์ภาวรีฟังถึงธรรมะที่พระพุทธเจ้าแสดงว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงธรรมอันธรรมจารีคือผู้ปฏิบัติธรรมพึงเห็นเองไม่ประกอบด้วยการเป็นที่สิ้นตัณหา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 ท่านอยู่ห่างพระพุทธเจ้าใช่ไหมว่างั้นอธิบายว่าท่านเนี่ยอยู่ห่างดูก่อนพิกิยะท่านอยู่ห่างแม้ชั่วครู่หนึ่งขณะหนึ่งพักหนึ่งส่วน1วันหนึ่งหรือว่างั้นคำว่าพระโคะพระผู้โคดมซึ่งมีปัญญาเป็นเครื่องปรากฏความว่า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 เขาเป็นลุงนีจริงอายุก็เท่ากันนะนะเป็นลุงได้ ย, ยังไงไม่รู้ยังงงเหมือนกันนะพาวรีพราหมก็อายุ120 น, นะพระปิงนขยะก็อายุ120เลยงงนะอาจจะเรียกกันตามศักก์ก็ได้นะนะอาจจะเป็นลุงกันตามศักก์นะนะเขาบอกว่าท่านพราหมณ์อาตมาไม่ได้อยู่ปราศจากพระพุทธเจ้าผู้โคโดมซึ่งมีพระปัญญาเป็นเครื่องปรากฏมีพระปัญญาก ว, าวา้างขวางดังแผ่นดินแม้คู่หนึ่ง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 พระโคดมผู้มีพระปัญญากว้างขวางดังแผ่นดินย่อมเสด็จไปสู่ทิศใดๆอาตมาเป็นผู้นอบน้อมไปโดยทิศนั้นๆ น, น, นั่นแหลนะตอนนี้พระพุทธองค์อยู่ที่ใดใจของข้าพเจ้าก็น้อมไปในทิศนั้นอธิบายว่าความเชื่ อ, ค ว, อความเชื่อถือความกําหนดความเลื่อมใส ย, ยิ่งศรัทธาสัทธินรีศรัทธาพระที่ปรารบถึงพระพุทธเจ้าชื่อว่าศรัทธาเพราะฉะนั้นศรัทธาเนี่ยไม่หายไปจากศาสนาของพระองค์เลยปีติ คือปีติในาศาสนานะคือความอิ่มใจความปราโมดความเบิกบานความยินดีความปลื้มใจความเป็นผู้มีอารมณ์สูงความเป็นผู้มีใจสูงความที่จิตผ่องใส ย, ยิ่งปรารบถึงพระพุทธเจ้าชื่อว่าปีตินะนี่แต่ว่าปีติเนี่ยมีพระพุทธคุณเป็นอารมณ์นั่นแหละ